ขอความสุขความเจริญถึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิษัยสีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องภาระบัณฑิตสูตรอสูตรที่ว่าด้วยความต่างแห่งคนผ่านและบัณฑิตเป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นด้วยอัยาศัยของขรพระพาทเจ้า คือมีพระประสงค์จะทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายรงเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตะ ว, วันแล้วกระรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกษัตริย์ว่าดูกอนภิกษุทั้งหลายการนี้ของคนผ่านผู้อนนวิชาหุ้มห่อแล้วประกอบวยตังหาหรือขึ้นแล้วอย่างนี้ กายนี้ด้วยนามารูปในภายนอกด้วย่อมีด้วยประการดังนี้เพราะสายกายและนามารูปที่แต่ทั้งสองนี้จึงเกิดผัสะเกิดสลายาตนณะซึ่งทั้งสองอย่างนั้นหรือแต่ละอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องคนผ่านเป็นเหตุให้สวยสุขและสะวยทุกข์นี่คือประเด็นของคนผ่าน พอมาถึงบัณฑิตก็รักสั่งว่าการนี้ของบัณฑิตผู้อนานวิชาหุ้มห่อแล้วประกอบด้วยตัญหาเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้กายนี้ด้วยนามาูปในภายนอกด้วยย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เพราะอาศัยกายและนามาูปทั้งสองนี้จึงเกิดผัสสะสลายจตนาซึ่งทั้งสองอย่างนั้นหรือ ได้อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องบัณฑิตก็เป็นเหตุให้สวยสุขและสวยทุกเรื่องที่ได้เคยกล่าวมาแล้วในวันก่อนแล้วข้อความต่อไปก็รับสั่งว่าดูวันภิสูจทั้งหลายเรื่องนั้นจะแปลกอย่างไรจะมีอะไรอธิบายจะตั้งกันอย่างไรระหว่างผ่านกับบัณฑิต พิสุจน์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าทำของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเดมิมมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่รวมลงรัประทานพระบรมราชกุศลรู้ความแห่งพระสิทธิ์นี้แจ่มแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียว วิสทั้งหลายได้ฟังจากผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจกักทรงจาไว้ข้อนี้เป็นการแสดงวุฒิภาวะที่สูงส่งของพระเหล่านั้นข้อนี้ถ้เราเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์หลังพระพุทธศาสนาหลังพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเป็นนันมากที่นิกายทั้งหลายเนี่ย โดยขึ้นมาจากการไม่ให้ความสําคัญแก่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แต่ไปให้ความสำคัญแก่พระสงฆ์แต่ละรูปเที่เ ร, เรียกว่าอาจารย์ิยวัตรคือตืออวตารของอาจารย์แห่งตัวเองและยึดถือประพฤติปฏิบัติโดยไม่ได้สอบทานที่ยเคียงบอกข้อนี้สอดรับกับพระพุทธธลรมหรือไม่ แม้พระพุทธเจ้าจะส่งประธานหลักการตัดสินกรร็ทำในัยเอาไว้ก็ไม่ได้มีการนำมาตัดสินและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือในส่วนของพระสูตรพระเจ้าทรงสแสดงไว้ในเชิงของหลักอ้างอิงไปที่พระบาลีพุทธวจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนั้นก็ถือพระสูตร เรียกว่ามหาประเทศสี่ประการคือจะมีใครมากล่าวอ้างอะไรอย่างไรโดยวิธีใดก็ช่างเถอะโดยอ้างว่าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าบ้างได้ฟังมาจากปฏิระบ้างหรือฟังมาจากพระเจ้าอาวราชการทำกระตึกอะไรก็ตามนะ่ะคือสรุปก็ฟังมาจากไหนก็ได้ อย่าด่วนรับหรือด่วนปฏิเสธในทันทีทันใดและนําคําพูดเหล่านั้นไปเทียบเคียงกับพระสูตรถ้าลงกันสมกันกับพระสูตรก็ถือว่าใช้ได้ถ้าไม่ลงกันไม่สม ก, กันกับพระสูตรก็ถือว่าท่านเหล่านั้นจำมาผิดเข้าใจผิดส่งไว้ผิดก็ไม่ควรเตือ ม่มีโอกาสจะทำความเข้าใจกับท่านได้ก็ทำไปถ้าทำความเข้าใจกับท่านไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปถ้าเราดูสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันมีแนวของอจิริยวาามนสูงมากสูงจนหน้าห่วงใหญ่ว่าแล้วต่อไปไนี่จะเป็นยังไง แต่ละคนก็จะกล่าวอ้างอาจารย์ของตัวเองบางทีหนังสือเล่มหนึ่งที่ลูกศิษย์ของอาจารย์ดังๆบางท่านเรียบเรียนขึ้นไม่ได้อ้างบาลีพระพุทธวจนะจะไปอ้างอาจารย์ของตนว่ายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นในสุดมันก็แตกกันตั้งแต่ตัวปริยัติคือความเข้าใจตัวหลักธรรมนั้นไม่ตรงกัน พอไม่ตรงกันแล้วการนำมาประพฤติปฏิบัติก็ไม่สรงกันและผลที่เกิดขึ้นมจากการประพฤติปฏิบัติก็ไม่สรงกันที่ต้องการอย่างยิ่งก็คือว่าอาตาตัวตนมันขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็กลายถึงเจ้ายุทธจักรไปซึ่งถ้าเรามองเทียบเคียงกันหลัก ของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะหลักหลักใหญ่ก็คือใจติขาและของใจติขาเนี่ยถึงสังเกตว่ามันเริ่มจะยอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันตรงนี้ไม่ถึงกับไปเสียตัวตวนหรอกและยอมรับความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาอยู่ เพียงแต่ว่าให้ยอมรับหนัือสถานภาพของการอะไกันยอมรับหนสือระดับสิทธิ้ในรีภาพของการอะไกันแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดกันในเรื่องสี่ประการซึ่งเราก็เจอบ่อยๆยอมรับหนังสือสิทธิในชีวิตของการอะไรกันสิทธิในทรัพย์สินของการอะไกันสิทธิในคู่ครองของกันแอะไรกัน เวลาสื่อสารติดต่อกับคนเราอื่นก็พูดไปตามความสัตย์ความจริงตามที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบไปรู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นและในขณะเดียวกันโดยพื้นจิตเนี่ยมันมมต้องมีแม้แต่วิีกรรมเันเรื่องจริงแต่ไม่มีประโยชน์หรือไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่เป็นประโยชน์ ก็ไม่รู้จะพูดไปทำอะไรประการสาคัญก็คือต้องพูดเรื่องจริงที่เป็นธรรมและปรกอบด้วยประโยชน์ยังต้องมองที่สาระเทศะบุคคลเป็นองค์ประกอบในเรื่องนั้นๆด้วยในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่าาํร า, ารหยาบคายไร้กาดรุนแรงทั้งหลายแล้วก็พูดเรื่องที่เป็นสาระแกน่นสาร ถ้าเรามาอันนี้เข้าไปจับเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้แต่การระดับรับรองสิทธิของกันไหลกันหรือสถานภาพของกันไหลกันนั้นก็ยังสั่นไหว้วีความป็นเราเป็นเขาคิดแรงเกินเหตุจนตกไปอยู่ระนาบที่เส้นขนานแต่มันสั่นไหวที่ระหว่างมนุษย์กับสัตว์สิริ ษ, ษัท เพราะอะไรเพราะมีการประทุสร้ายต่อชีวิตกันมีการล่วนละเมิดึิที่ในทรัพย์สินของบุคคลอื่นตลอดถึงของรัฐของแผ่นดินและแม้แต่ของชนชาติอื่นมีการล้วนละเมิดใ น, านทางเพศจนน่ารังเกียจแล้วก็นำไปสู่ปัญหาโรคเอดางที่ทราบกัน เกิดสภาพท้องแทงทิ้งแย่หลายกระจายไปในส่วนต่างๆของประเทศก็ไม่ใช่ของประเทศหรอกของโลกนะแล้วสารทั้งหลายไม่ว่าจะสารจากเื้ออะไรก็ไม่รู้แหละนอกจากเป็นสารที่เกี่ยวกับวิชาการวิชาการนั้นอยู่ในเก์ที่เรียกฟังได้แหละ แต่ถ้าเป็นสารที่เกี่ยวกับบุคคลคณะบุคล ค, คลกลุ่มคนท้องถิ่นตลอดทั้งภาคจังหวัดมันจะไม่ค่อยยุติด้วยความรินรเหตุผลข้อนี้ผมสังเกตการก่อ ก, การร้ายที่พัดใายซึ่งเกิดขึ้นก็รุนแรงมานานแล้วจริงๆแต่เราก็นับตั้งแต่วันที่สี 4, 7, ่มกราสี่เจ็ดอะรกัน อสารที่นำเสนอจากสือ่อวิทยุก็ดีทระันชก็ดีหนังสือพิมพ์ก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหนังสือพิมพ์จะแท้คำว่าโจนใต้หมายความว่อย่างไรภาคใต้นั้นมันับจากประโจบขีริขันลงไปอย่าง น, น้อยก็ประโจนครึ่งหนึ่งแหละพูดภาษาภาษา เต่่าในแงองการปกรครองเขอนักจากชุนพรลงไปเอาชุนพรก็ชุนพรแต่เราจะเห็นว่าปัญหารจริงๆมันเกิดเฉพาะที่สาจังหวัดภาคใต้แล้วก็ไม่ใช่ทุกอำเภอแต่เวลาเราพูดเราพูดรวมไปเลยว่าโจรได้โดยไม่ได้สำนึกสำเนีกว่าคำพูดนี้คือเท็จโกหกหลอกลวงเราหาใส่ร้ายไปสีกานโดยไม่มีเหตุผล นั่นคืออะไรคือแสดงว่าแม้แต่ขั้นสีเนี่ยเราก็งอนแงนของกันมีลักษณะสัส่นไหวในขณนะเดียวกัน เ, เราเรียกร้องความเป็นธรรมจากคนอื่นแต่เราก็ไม่พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมแก่คนอื่นเราเป็นปหาที่ขาโลกเหมือนกันเพราะในความเป็นคนพางกับบัณฑิตก็เหมือนกัน แต่ภิกษุทั้งหลายนั้นที่จริงท่านก็คงจะรู้อยู่เราก็ไม่รู้ว่าพระที่ฝั่งนั้นเป็นพระพระระดับใดเท่ากันแตวินิจัยชี้ขาดลงไปท่านถ้าคำไเร่ท่านบอกว่าคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นตั้งเดิมคือที่มาหยุดเริ่มต้นอยู่ตรงนั้น เรองการศึกษ า, าการปฏิบัติการสัมผัสผลตลอดตั้งการเผยแผ่เนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเรานี้ก็พูดตั้งการศึกษ า, าการเรียนรู้ก็ต้องอาศัยว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่ายังไงไม่จะเรอชี้ไปชี้ถูกเอาเองเพราะพระพุทธเจ้านั้นทรงบอกด้วยปัญญาบริสุทธิ์และกรุณา พระพุทธธรรมราธิสัตว์เรืนอง น, น, นั้นเป็นความถูกต้องสมบูรณ์เป็นสัจธรรมที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงยิ่งแต่ว่าอยู่ระดับของสมม ต, ติสัจจะหรือปรมัทิตยสัจจะเท่นั้นแล้วก็ท่านบอกว่าพระพุทธพระพาทเจ้าเป็นที่รวมลงมหมายคามันจะมีการขัดแย้งกันที่ไหนข้าใจผิดเข้าใจถูกอย่างไรที่ไหนก็ไม่รู้แหละปัญหาว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร นั่นคือข้อยุติมันเป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นมาจากสรพพยุติยานสมมติเราจะให้พระตอบเนี่ยไอ้กรอบมันก็ไม่กว้างพอหรอก ใ, ใครก็ตามที่จะพูดได้กรอบมันคลุมไปเท่าที่สรรพยุติยานรู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ลึกซึ้งขนาดนั้นจะแน่นอนวมาการตอบคงเดียวเนี่ยมันจะครอบคลุมหมดไม่ได้ เพราะยังไงก็ตามแม้จะคนผ่านประพฤติไปตามอำ น, นาจของกิเลสแต่กิเลสก็มีหยาบกลางละเอียดเพราะพฤติกรรมเปน็นมากของคนที่ประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาทางใจก็มีความหยาบกลางละเอียด ต, ต่างกันเวลาประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาทางใจก็มีลักษณะอย่างนั้น หมายความว่าถ้าเป็นขั้นละเอียดก็แสดงว่าท่านกำ ก, กับควบกุมกิเลสได้เป็นระดับพฤติกรรมก็ออกมาในรูปของทุกข์กิเลสเหมือนกันนั่นแหละคือในง่ายของอาการกิเลสแต่ก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนอาจจะเบียดเบียนท่านเองก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือบอกว่าทั้นขอประทาน พระบโรกาศโดยบอกว่าเนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันแ จ, จ้งแจ้งแก่พระบุญภาพ้าอยู่แล้วแล้วก็จ้แจ้งอยู่เพียงพระองค์เดียวที่สูตรทั้งหลายที่ฟังเนี่ยเนื้อความจากพระบุญภาพ้าแล้วจัดส่งจำเอาไว้แล้วนาไปประพฤติปฏิบัตินาไปเผยแผ่ นำไปชี้แจงอธิบายขยายความคใครก็ตามแบบของบุรพาจาร์ในอนดีตโดยเฉพาะปลายหลังพุทธกาลนะที่ท่านเป็นธรรมวาชจจริงใงเรื่องบางเรื่องถ้าเรามองในปัจจุบันยกตัวอย่างในสังคารนาครั้งที่สอง คือถ้าเราคิดโดยมิติปัจจุบันเอมันเรื่องมันก็ไม่แรงเท่าไหร่นะอย่างมากก็แค่นลกสักที่บาิทุกข้อก็เป็นปัญติวัชชะไม่ใช่เป็นโลกบัชชะคือไม่ใช่ความผิดสัดกน้นก็ไม่น่าจะถึงแตกหัดอย่างนั้นไม่ น, น่าจะถึงต้องแยกกัรทำสังขักนาจนกลายเป็นนิกายต่างๆในตอนหลัง แต่ปัญหาสําคัญว่าท่านดํารงไว้ความถูกตรงของพระวิญัยพระเจ้ารับสั่งไว้อย่างไรล่ะพระเจ้ารับสั่งไว้อย่างไงการก็คืออย่างนั้นแน่นอนท่านเหล่านั้นก็ข้าจะผิดพเพราะว่าทีบูดหนึ่งก็ขาดไมผิดแต่อย่าลืมว่าท่านเป็นคนรุ่นหลังเป็นคนหลังพุทธกาลตั้งร้อยปี รายปีม่นช่น้อ ย, น, อยนะฮะสามสีโซคนแหละแต่ว่าพระพุทธดั่งหักที่ดำรงอยู่ในฐานะเป็นศาสดาทั้งส่วนของพระวินัยและส่วนของพระธรรมไม่ได้ปว้อนปลนแก่คนที่เข้าใจผิดถึงหลงผิดใ่ประการใดไม่รู้ว่าเป็นอาบัติก็ผิดสงสัยแล้วคืนรมก็ผิด ขาดสติก็ผิดนั่นคือวินหนมันเป็นวิธีการฝึกาการพัฒนาปัญญาสัมปชัญญะปัญญาสติแล้วก็วิรยิยะดังกล่าวปฐานาเหล่านี้ท่านก็ไปประณีประนอมด้วยไม่ได้หรอกแล้วถ้าเกิดการประณีประนอมขึ้นในวันใด ว, วันเด็ก ในสุขก็หาทางประนีประนอกกันหมดอย่างสังคมเราปัจจุบันเอานับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาพอกบฏเนี่ยถ้าประสบความสำเร็จเขาเรียกว่าคณะปฏิวัติคณะปฏิรูปคณะอะไรต่างๆ แล้วก็ตัวหัวหน้าเนี่ยหัวหน้ากบฏเนี่ยกลายเป็นองค์รัฐาที่ปัดในขณะนั้นแอ้มันพูดได้เรื่องโลกแต่ธรรมะมันพูดไม่ได้ธรรมะจะไปยอมให้กระบอกปืนอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนหะธรรมะ ก, ก็ต้องเป็นธรรมนอย่างนัน้เพราะการเทดิดทูน mm hmm. เราพุทธเจ้าเนะี่ยถือว่าเป็นหัวใจของความเป็นชาวพุทธเรา เราไม่คเคารพเทิดทูนต่อพระพุทธเจ้าและทุกอย่างมันจะยากหมดแต่ถ้าคเคารพเทิดทูนพระพุทธเจา้าพุทธานิพนานแล้วเราก็มาพบกันที่พระธรรมซึ่งพระพุทธเจา้าทรงแสดงไว้เรามาพบกันที่วินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้เราทรงบัญญัติมมไว้อย่างนั้นบางบัดดูก่อนแล้ว ทำได้ ว, วินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วกระเถือทั้งหลายทำได้ ว, วินัยนั้นจับเป็นาศาสดาของเถือทั้งหลายเมื่อเราล่วงรับไปแล้ววัดพระภูมิพระเจ้าเมื่อภิกษุกราภูณอาราธนาอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นอนุยหะเทศนาหมายความว่าเป็นพระธรรมเทศนาชี่มุ่งอนุเคราะห์ต่อภิกษุเหล่านั้น เพื่อเป็นมาตรในการวัดคุณภาพของพันว่าเวลานี้ความโน้เอียงทางจิตของท่านธเนี่ยหนักไปที่ผ่านหรือบัณฑิตเพราะการเป็นผ่านเป็นบัณฑิตในที่จริงค่อนข้างละเ ม, มิดละหมเนี่ยเพราะว่าพอเราเอาเรื่องละเอียดเข้าแล้วมันก็จะจะยุ่งแต่คนที่เราคิดว่าบัณฑิตเนี่ยมันถึงก็เป็นผ่าน เพราะอะไรเพราะยังประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่ในประสูคนี้สรวยกมาเฉพาะอาวิชชากับตัหาแต่ก็ไม่ต้องพูดข้ออื่นหรอกเพราะว่ามันโคตรง่าของกิเลสมันอยู่เตี้ยวอวิชชาแล้วกระรับสั่งว่าเธอจงฟังงาจนใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนิสุลังนกกพร้อม ที่จะระดับตับฟังพระพุทธธรรมระดับสั่งว่าสุกรพิสู่ทั้งหลายการนี้ของคนผานผู้ตุ๊กอภิชาคุ้มพอแล้วประกอบด้วยตันหานใดเกิดขึ้นแล้วอภิชานั้นคนผานย่างละไม่ได้และตันหานั้นยังไม่สิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะคนพานไม่ได้ประพฤติผูกมัด เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเหตุ น, นั้นเมื่อตายไปคนผ่านจ่้องเข้าถึงอบายเมื่อเข้าถึงกายชื่อว่ายังไม่พ้นจากชาติระมณสกะปิเทวทุกขโธนะตุปาญาตเรากล่วกาวว่ายังไม่พน้นจากทุกขนี่คือประเด็นสำคัญว่าทรงเน้นไปที่กิเลสสองข้ออย่างที่กล่าวเนี่ยแล้วก็คำว่าพรหมจรรย์ วัตถุประสงค์ในการประพฤติปรมจ์ในทางพระพุทธศาสนากก่อนอ่านหนังสืออะไรละเกียกัาพุทธมณฑ์อะไรเงี้ยมีคำถวายเยอะเหลือเกินซึ่งก็หมายความว่าคำเหล่านี้เป็นคนรุ่นใหม่เขียนขึ้นแต่งขึ้นแล้วถาวายสิ่งเหล น, นั้นแก่ใครถาวายแก่พระ นั่นเป็นงานที่จะทําด้วยโลภะเฮ็ดดี้จะส่งเสริมไหมเขาคิดก็ตัดสินใจของเขาเช่นว่าทานเนี่ยคนถวายทานจะต้องกรอกด้วยปัญญาแล้วจะต้องมองถึงรพระกระซย์กําลังแห่งรพระกระซย์กําลังแห่งศรัทธาถ้าพระกรัพย์เราน้อยศรัทธามากก็าทาจะให้เราให้ใหตามกําลังทรัพย์ จะให้ตามกําลังศรัทธาถ้าศรัทธาน้อยพวกก็ทรัพมากก็ต้องให้ตามกําลังศรัทธาอย่าให้ปตามกำลังทรัพทีนี้เสมอการหรือน้อยเสมอการหรือมากเสมอกันก็ตามอภิยญาัยทีนี้นในกระีน้อยด้วยกันเนี่ยทรัพก็น้อยศรัทธาก็น้อยทําอย่างอื่นเถอะรักษาศีลปฏิบัติทำไป แระษาสีน่านี้ม่ายสักบาทหนึ่งแล้วไม่แต่บุญดักกริยาวัตถุเราจะเห็นว่าสิบข้อเนี่ยที่จริงมันเป็นทานอยู่แค่ข้อเดียวอีเก้าข้อเนี่ยเป็นธรรมะปฏิบัติไม่มีสตังสักบาทถึงทำได้ทำไมเป็นเน้นสอนแต่เรื่องทานละ่ะทำไมพูดแต่เรื่องทานทำไม มันเป็นการกระตุ้นโลภะของคนและโดยเฉพาะผู้รับแต่เมื่อตัวจิตมันเลื่อนไปสู่กระแสตนามันก็คือปวโนหะภวิกาอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้น้้ น, น, น, นโบยยังดีก็ไปรู้ก็สร้างใหม่แข่งกัน บวชเราไม่ได้ปิดทองบวชเพื่อนปิดทองเอากระรืบสุสร้างไหนเอามาปิดทองด้วยกันในความเป็นพระบวชสดยังไม่ได้อยู่ที่ปิดทองหรือไม่ปิดทองมันอยู่ที่สามารถทำสังกรกรรมได้ประโยชน์ของการใช้สอนบวชสดก็คือสังกรกรรมในอื่นทาทาที่อื่นก็ได้มาเย่นเคยคิดเนี่ยว่าความคิดตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ย มันไม่ได้จำกัดที่สถานที่ซึงสมมติเราสร้นสศาลากานรเรียนสามสามชันามาน้นเอามันเป็นเสน่หกับประสงค์เลยชั้นบนสุดเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคกรรมไหว้พระสวดมนต์อะไ ร, ต, รต่างๆสังคกกรรมทั้งหลายเนี่ยอยู่ชั้นบน แล้วสองชั้นข้างล่างนีการศึกษาอบรมการเข้าไขการปฏิบัติกรรมฐ า, านการสอนธรรมวันธรรมะสนาอะไรต่างๆถามก็อยู่ที่หลังเดียวนะั่นแหละพอแล้วไม่ต้องไปยุ่ง ม, มากเวลานี้เมื่อเกิดปัญหาว่าพระน้อยแต่อาคารขยายไม่หยุดในขณะที่เศรษฐกิจมันจดีเราก็ขยายไป เรมีอาคารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนามีชนะนะหยุดมานานแล้วหมดสตางค์อาจารย์รียบอกว่ายังไม่เหมดสมหรอกเศรษฐกิจมันไม่ดีปล่อยไปไม่เสร็จก็อย่าเสร็จถ้าเสร็จมัน ก, ก็ต้องมีความพร้อมที่จะเสร็จนายทีเข้ามาช่วย อ, อยู่คนหนึ่งเขาก็ลดเพดาน ล, ลงมาตอนนี้สร้างพระพุทธรูป จำลองพระพุทธรูปจากอินเดียพระพุทธเมตตาพระพุทธพระเจ้าองค์ดำแล้วก็พระที่สารนาปางปฐมเทศนากรณีไปก็ เ, เอาเท่าที่ได้แต่ทำยังไงให้กิจกรรมมันเกิดได้เท่านั้นก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากนม่เดือดร้อนนี้ก็ได้ไม่นี้ก็ได้ ไม่มีเราก็ทำงานส่วอื่นเราก็มีงานทำกันแล้วกันไหะแต่ถ้าจะมีเราก็หนักมากขึ้นขึ้นแต่ก็มันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนปะประการสำคัญอยู่ที่อวิชชาในมันเป็นเรื่องใหญ่อวิชชาเป็นความมืดบอดเขาเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาอัตวัตถุกา อวิชามีวัตถุแปดประการคือไม่รู้ในทุกไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุก์ไม่รู้ความรับทุกไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงสึ่งความรับทุกไม่รู้อดีตไม่รู้อน า, าคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอน า, าคตไม่รู้ในกฎของปัจจยากาศจบสิ้นแล้วนะฮะ หมายความว่าสิ่งที่เราไม่รู้มันครอบสาคูลจั ก, กรวาลไ้หมดแล้วตั้งแต่อนยิย ส, สัตว์สีทีนี้พอไม่รู้เนี่ยตัณหามันก็ฟุ้งไปเพราะอาวิชายังมีอยู่เนี่ยตัณหาก็ไม่ต้องพูดว่าดับหรือไม่ดับมันก็ไม่ดับหรอกทีนี้พอปริมาณของอวิชาเขามากเนี่ยตัณหาก็จะมากขึ้นเราเรียกว่าจะลืมตายแหละ อายุมากแล้วก็ยังดิ้นรนขวนขวายหางเงินหนาทองมากม า, กกายไกลกองแต่ถามเอาไปไทำอะไรเีมายังงองนะว่าชีวิตคนคนหนึ่งสมมติว่าตีทักว่ามีค่าใช้จ่ายเดือนละหมื่นเดือนละมืดปีหนึ่งก็แสนสองบนอายุปีสักว่าหกสิบแล้วยังมกี่ปี สิปีก็คือเจ็ดสิบยี่สิบปีก็คือแปดสิบเอาเว่าให้สามสิบปีในสามสิบปีเราจ่ายอย่างนั้นน่ะเราอยู่อย่างนั้นอ่ะเราในนอนเพิ่มเติมอะไรึ้นบบาแล้วก็ไม่จาเป็นยังต้องมากอะไรเท่าไรแล้วก็หันข้าหาก็เรียกว่าทานศีลภาวนาทานก็ไม่ต้องมากเป็นเน้นที่ศีลกับภาวนา เป็นการได้ทรัพย์ประเภทอริย์ทรัพย์ที่สามารถนาติดตัวไปได้เราไปสู่พ้นน้อยพบใหญ่ด้วยธรรมะนะด้วยบุญโดยบุญด้วยด้วยบาปด้วยนะนะั่นแหละแต่ว่าแน่นอนใครก็ไม่ต้องการผลเป็นความทุกข์หรอไม่ต้องการผลเป็นความทุกข์ก็ต้องสร้างเหตุเป็นความสุข้ดยการพยายามลดอวิชชา อย่างน้อยระดับหมู่หะระดับความประมาทเราต้องกระลงไปหน่อยไม่จัดเป็นเหตุการณ์ซ้าซากเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เราเรียกว่าไม่รู้จะว่ายังไงเรามีอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์เทศกาลตรุษจีน แต่ก็ยังมีแถมปีกย่อยในเรื่องอื่นๆครับอีกปรจากรเราตายปีหนึ่งปีหนึ่งเฉพาะอุบัติเหตุยิ่งกว่าสงครามอาโุเซียที น, นี่คือเป็นปัญหาที่เราไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเราจะสื่อสารไปทางวิทยุเองเขาก็ไม่ฟังอ่ะวิทยุของเขา เราเขียนหนั้งสือไม่จะแจกไปเขาก็ไม่อ่านเลยไม่รู้จะทำไงก็ต้องโตไม่โตกว่าสัตว์โลกก็ไปไปตามคำรรเขาอย่างเงี้ยแต่ภารกิจในฐานะที่เป็นภิกษุก็ต้องทําจนกว่าชีวิตจะหาหม่รำกระบังความสามารถที่เราจะกระทาได้แนี้ตัญหานี่อย่าลืมบ้า มันบังคับจิตให้สายมันมีลักษณะผลักใสเสือกสา ย, ส ย, สายขับใสแต่เ ร, เราไม่เห็นโทษก็ไม น, นะไม่เห็นโทษต้องการตามใจตันหาเลยสนองอางานตันหากันเป็นการใหญ่ที่อยากได้ไม่จับพอบเมื่อก่อนได้ข่าวเรื่องจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่คึไป ว่าพระหนีหนาวทิ้งวัดกันเราก็นเล็กคเออคณะสงฆ์เนี่ยมันมีเงินวัดช่วยวัดกันนะพวกที่ได้รับนิจฉพัดของราชการทุกรูปในประเทศเนี้ยจะบริจาคนิจฉาพัทของตัวเองไปกองไว้เป็น ก, อ ง, นกองกลางเพื่อช่วยแก้วิกฤตการณ์แก่พระสบ์ สาธารณภัยอยู่ทุกภัยภั ย, ย, ยต่างๆภัยหนาวภัยแรงอะไรต่ร ต, ต่าง ๆ, ๆก็ไปช่วยกันเราไม่ได้ข่าวทางโทรทัศน์ว่ามีคนไปแจกผ้าห่มแก่พระพร ะ, พระก็คนนะพระก็หนาวไปโนอนกันแล้วก็ผ้าต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างขัดสนคือจะเอาจีวรมาซ้อนนั้เ7็ผแดื้นเนี่ยคงไม่มีหรอก นึกถึกบา้านจะไปน่าจะไปช่วยเขาแต่เราก็ไม่อยู่ในฐานะอย่างนั้นเพราะเราก็ไม่รู้จักใครอะไรเท่าไหร่พอดีลูกศิษย์เนี่ยเขาผิดภาคผมเลยเข้ามากับแม่นำมาถวายบอกเออวันก่อนก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะรู้ข่าวพระหนาวเนี่ย ว่าพระหฮมในผื้นลเท่าไรแต่ถ้าเราจะซื้อไปแจกพระเนี่ยเราไม่จะขอหรอกจะซื้อไปแจกพระเขาก็บอกราคาให้แล้วก็บอกว่าถ้าจะไปแจกก็ให้บอกเขาจะรวบ ม, มือคือไปชวนผู้ร่วมบริจาคให้บอกตอนนี้ให้ผ่านไปก่อนเถอะเพราะหนามันลดแล้วแต่คิดว่าจะสารวจนะจะสำรวจ แล้เราก็ต้องศึกษาจากกรมอุตุนิยมก่อนนิมนิยมวิทยาก่อนว่าปีเนี้ยจังหวัดไหนที่จะหนาวมากแล้วก็ติดต่อประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัดมีกี่จังหวัดมีกี่อำเภอมีวัดกี่วัดมีพระกี่รูปแล้วก็สมรวจลึกไปจนถึงว่าพระรูปใดที่ไม่มีปัญหาเรื่องความหนาวก็อย่ารับ เอาเฉพาะคนที่มีปัญหาวิธีการก็ประมาณนั้นไม่เหมือนค น, น, น, นเดนมหรือว่าจะประสานกับจังหวัดจังหวัดประสานกับอำเภออำเภอประสานกับเจ้าคณะตำบลแล้วคณะตำบลสำรวดในตำบลดูตัวเลขมาเราไปก็พบที่จังหวัดเจ้าคณาตำบลเอารถปิดกอัพมารับนั่งไปแจกลูกวัดเราไม่แจก เราส่งเสริมสนับสนุนเฉยๆเพราะว่าพระในท้องจินเนี่ยเขาอยู่กับพระในท้องจิตถ้าจะมีผู้อุปการอะไรจากใครก็ควรจะเป็นพระเทราแถวนั้นแหละเราก็อยู่ด้วยกันเราไปคนนอกไปก็ เ, เพียงแต่ไปช่วยสนับสนุนขเขาเท่านั้นแต่ไม่ได้แจกแบบราชการแจกแบบราชการเราจะเห็นว่ามันกระตุกเรือเอ่อยๆใหญ่จุดที่ตรงนะ้ไปตรงไหนก็จอดปุ๊บกัตรงนั้นะ คนก็ชุดเดิมนั่แหละมารับ้ว ร, รับอีกมันไม่สาเอ็จประโยชน์เราก็ต้องทำความเข้าใจนะว่าในผ้าห่มนี่มันก็คือผ้าห่มนอนแะถ้ามันแก้หนาวได้ก็จะเอาไปทำอะไรถ้าได้ไปก็ต้องเอาไปแจกแบ่งใี้จคนอื่นอันนี้ปัญหาพูดยากหรืออย่างที่เคยราบมานานแล้ ว, วเคยไปแจกที่ต่างจังหวัดแล้วก็เจอโยมคนหนึ่งเป็นคนแก่นะ ท่านมีพระคมที่รับแจกและกองอยู่ที่บ้านสามสิบแปดผืนแล้วก็สลดใจแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นยังไม่เคยไปแจกรอวิธีการมันควรจะดีกว่านั้นท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าคนที่รับนกอบด้วยอวิชาและกะตัญหาอยากได้โดยให้คําตอบแก่ตัวเองไม่ได้ว่าเอาไปทําอะไรถเอาไปขายเขาไม่ได้แจกให้ขาย ก็แจกให้หฮมเดี๋ยวหมมันสำเร็จประโยชน์ทยางหมแล้วเอาไปทำอะไรการพัฒนาจิตคนขึ้นขนาดนี้ก็เหมือนก็ปีนมันไดสวรรค์แล้วนะเป็นเรื่องยากเพราะอะไรเพราะอวิชาหุ่มบอกเพราะตัณหามันปลักใสมันเสือบใสมันขับใสมันกระซิบใหญ่เขาได้เราต้องได้การนอนสือธรรมะนี่นะ คือมันน่าท้อแต่ก็ถ้าท้อก็ไม่ได้ก็ต้องเสียงเงอนเวลาแจกในะท่านกระตือรร้นที่จะรับแต่รับแล้วนี่คนอ่านสักกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าค่าใช้จ่า ย, ายค่าอะไราจ่ายไปหมดแล้วอันนี้คือคือคุ้มหรือเปล่าเพียงแต่ว่านิ้งสือนั้นมันก็อยู่ในโลกเนี้ยเพียงแต่ว่าคนไม่ได้อ่านมันก็ไม่ใช่หนังสือหรอก วันตองเสริจะต้องอาศัคนอ่านนี่คือปัญหาที่มันสืบเนื่องมาจากอวิชากับสืบเนื่องมาจากปัญหาของมนุษย์นะฮะที่อยู่ภายในใจม น, นุษย์ในขณะเดียวกันเนี่ยคนผ่านไม่ได้ประธธพฤติผร้มจันทร์รู้มาจันท ร, ร์แปลว่าการใช้ชีวิตที่ประเสริฐแล้วก็โดยเนื้อหาสาระเนี่ยไปเน้นย้ยำที่การละ การสำรวมระวังการจางคลายของกิเลสการดับของกิเลสไปในชั้นต่างๆเรื่อยไปทีนี้ถ้าเาก็ไม่สามารถละในสิ่งที่เป็นอกุศลระดับต่างๆได้การสำรวมระวังมันก็ไม่เกิดเพราะฉะน้นลักษณะจิตที่มึงโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทบองร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจากทานองของทำ แล้วก็ออกมาเป็นอกุศลเจ็ดประการในอกุศลกำหนดเราลองสังเกตว่าทั้งหมดทุกข้อ ม, มาจากความโลกดลงตรงนี้มันไม่ลดอ่ะเหมือนมันมาลดมันก็ไม่จางคลายไม่จางคลายก็เลิกพูดเรื่องดับทุกข์การดับทุกข์มันก็ไม่เกิดทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้คนผ่านนั่นแหละ ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความทินทุกว่าไม่ปฏิบัติเพื่อความทิดทุกไอ้ทุกมันก็ตังยังอยู่เพราะว่าคล้ายๆกับจะไปสู่จุดหมายปลายทางให้ไปทางขวามือแล้วก็ไปทางซ้ายมือเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนั่เป็นวิถีชีวิตอ่นั่นเป็นวิถีชีวิตว่าคนทานพระพุทธเจ้าต้องการให้เขียนว่าทั้งคน่านทั้งบับรรณฑิตเน่ยเกิดแว่มาถึงเมื่ก็เพือกันนั่นแหละ หมายความมาร่างกายก็เป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมควายอากาศแล้วก็วิญญาณประกอบด้วยธาตุหกเหมือนกันถามาวิชาตัณหามีไหมก็มีด้วยกันเพียงแต่ว่าความโน้มเอียงทางจิตแป็สภ้อไาป็ล้อมที่ล้อมตัวเราอยู่เนี่ยมีกระตุ้นทั้งธรรมะแล้วกระตุ้นทั้งกิเลสเพื่อจะซึมซับอะไรได้ง่าย่ะ การที่คนพานเป็นอย่างนั้นเพราะแกซึมซับเอาสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษเข้ามาอยากอะไรอยากสลายตนาจากผัสสะทั้งแก่กระทบและก็ซึมซับกระทบแล้วก็ซึมซับกระทบและวก็ซึมซับมีความนมิยมชมชอบในพฤติกรรมดังนั้นแล้วก็ซึมซับไปด้วยแล้วในที่สุดเนี่ย แกก็มากไปด้วยกิเลสไม่มีการลดละมีแต่การเพิ่มไม่มีการสำรวจระวังมีแต่ความรุนแรงเพราะในการจางคลายของกิเลสกับการดับกิเลสนีาเลิกพูดเลยทีนี้เมื่อกิเลสแกไม่จางคลายแกไม่ลดเนี่ยเรื่องการดับทุกข์ก็เลิกพูดเพราะพรงนี้มันเป็นผลที่ทยอยกันไปเป็นคลื่น ต้องมาใช้การละคือสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วก็สิ่งที่ยังไม่มีเนี่ยต้องสมดวมระวังอย่ามันเพิ่งขึ้นในือการรักษาสุขภาพเรานี่แหละหความหมายความมาต้องบาบัดโรคให้หายแล้วก็พยายามระมัดระวังอะไรที่เป็นภาหะแห่งโรคเนี่ยพยายามระมัดระวังไใ้สิ่งเหล่านั้นมาคุกคามสุขภาพตัวเอง แล้วก็พยายามที่จะลดเงื่อนไขต่างๆที่จะทําให้เกิดโรคความสบายก็เกิดขึ้นได้ยัเลว ม, มาทำ ม, มาเนี่ยที่จริงไม่เป็นกฎเลยฮนะเป็นสูตรเป็นอย่างนี้แหละไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเลยเขาเป็นก็เขาข อ, อย่างนี้แหละความโลภเวลาเกิดขึ้นกับใจใครเขาก็เป็นก็เขา อ, อ, อย่างนี้แหละปัาหาเวลาเกิดขึ้นกับใจใครเขาก็เป็นก็เขา อ, อ, อย่างนี้แหละ ทีบางคนเนี่ยมันก็กลายเป็นผลที่ต่อเนื่องเกิดขึ้นอย่าลืมทงแสดงวันนั้นเหตุนั้นเมื่อตายไปเนี่ยคนผ่านย่อมเข้าถึงกายในกายแบบเดิมนะกายอะไรเมื่อเข้าถึงกายเนี่ยก็คือว่าไม่สามารถจะพ้นจากทุกข์คือชาติได้ เมื่อชาติไม่พ้นกัชรามานาโซกาไปเทวทุกโธมานาภาญากะตามาเป็นครวนละแล้วลก็ยิ่งกว่านั้นไปตัวบาปอกุศลหล่เนี้เรายามให้เข้าไปบังเกิดในทุกกะิในทุกกตจิในวินีบาทในเอสุรกายทั้งหลายแต่การพูดถึงมนุษย์กสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเป็นอาญตนะภายนอก ชีวิตเนี่ยตายรูปเป็นต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอายตนะภายในแล้วเมื่อเราไม่เข้าใจสภาพแวดลอ้อมมันก็เกิดเป็นอวิชชาวิธีใช้ผิดมันก็เกิดตัำหาเกิดตำหนะก็เกิดอุปาทานก็ลากกันไปเป็นแถวและในระนากันไปคือยังนึกว่าระบบ ก, การศึกษารเราเนี่ยต้องกลับไปตรงนั้นเลยต้องกลับไปที่พัฒนาจิตใจของมนุษย์แล้วก็เธอต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เป็นงานเร่งด่วนเขาเรียกว่าอะไรล่ะคำนวณสมัยใหม่นีนคุยโก้แล้วกินยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติคือต้องพัฒนามนุษย์ถ้าคุณไม่พัฒนามนุษย์คุณแก้ปัญหาแบบกดลุโกโป่งแพบตรงหนึ่งป่งตรงหนึ่งแพร่ตรงหนึ่งป่งตรงหนึ่งแพ่ตรงหนึ่งปงตรงหนึ่งแล้วผลพทฒระเบิดเตี้ยงนี่คือเป็นปัญหาที่ต้องคิดง่ากนะ เราอยเลยมกระบวนการทั้งหมดที่จริงมันเป็นกระบวนการของกุศลธรรมากุศลธรรมานั่นเองเพียงแต่เราไม่ได้สนใจศึกษาเรียนรู้เท่านั้นวิชาเก่งไม่ลดปัญหาจึงไม่ลดแล้วก็อะไรก็ไม่ลดลนะนะทุกฟังเท่าไหร่เสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุนี้ขอความจะเริยงอกงามไปบูรณนธรรม ดีและท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี